พุทธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะอีกวันหนึ่งนะคะของรายการสันสนีสนธนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1เ6รเราก็มาพบกันเพื่อที่จะทำให้เวลายามเช้าของทุกท่านนั้นเป็นยามเช้าที่มีสิริมงคลแก่ชีวิตและเป็นสิริมงคลที่ใครก็ให้กับเราไม่ได้นะคะนอกจากจะต้องทำเองพูดอย่างนี้สำหรับคนที่ขี้เกียจทาเองอาจจะไม่ชอบ แต่สาหรับคนที่มีความรู้สึกว่าทั้งชีวิตนี้ไม่รู้จะไปพึ่งใครไม่ต้องกลัวเลยนะคะท่านจะเป็นคนที่เลิกพูดคำว่าไม่มีที่พึ่งอีกต่อไปเมื่อท่านรู้จักคำสอนของพระาศาสดาพระอรหันต์ตั้สมาสังพุทธเจ้าของเรารายการนี้นำเอามาให้นะคะโดยมีพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุณโนพระมหาภยบุญอภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีเป็นผู้ที่มาตอบคาถามต่างๆพร้อมด้วยคาสอนของพระาศาสดาค่ะ กลางรัสการค่ะท่านคะใช่พอค่ะพรุ่งนี้วันเด็ ก, กแล้วว่าท่านวันเด็กของปีพุทธศักราช2558ค่ ะ, ะก็เป็นวันที่เด็กๆมีความสุขที่สุดแหะค่ะแล้วก็เป็นวันที่คนไทยรู้กันนะคะว่าจะต้องมีคําขวัญผู้นำของรัฐบาลมาปีนี้ก็ความรู้คู่คุณธรรมนําสู่อนาคต มาจำได้ตอนสมัยเด็กๆเนี่ ย, ยเราคอยความเราคอยวันเด็กนี่มากเลย อ, อยากให้พ่อพาไปที่นั่นที่นี่ไปเล่นรถถังไปดูเครื่องบินอะไรต่างๆชอบมากะะสมัย เ, เป็นเด็กไม่เคยให้คุณพ่อพาไปวัดเลยนะคะไม่มีเลยคนไกลวัดมากสมัยมาเด็กๆสมัยนี้เขามีกิจกรรมหลายที่นะคะอย่างตามสถานที่สำคัญทางาศาสนาเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเด็กๆ อืมใชค่คิดว่า ถ, ถูกต้องอยู่นะคือหมายความว่ า, ถ, าถ้าพาเด็กไปวัดมันก็ต้องมีส่วนที่มีกิจกรรมนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้ก็ต้องปลูกฝังกันไปน่าจะเป็นการดีพูดถึงธรรมะที่จะให้ในวันเด็กกับทั้งคนที่เป็นเด็กเองเป็นผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมที่มีหลากหลายวัยและวัยที่สําคัญคือวัยที่เขาจะมาสานต่ออนาคต ืครอบครัวของประเทศชาติคือเด็กเนี่ยนะคะยามพานควรจะให้ทําอะไรหรือในครั้งพุทธการเนี่ยมีเรื่องเด็กๆอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไหมคะเ อ, อก็มีอันหนึ่งที่อาจรมานึกได้ตอนนี้เลยนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยสอนเด็กเด็กจํานวนมากกลุ่มหนึ่งแตอนนั้นเขาก็มาคือเด็กเนี่ยก็คือหมายถึงยังไม่ถึงสิบขวบน ะ, ะยังไม่ถึงสิบขวบแล้วก็เขาก็มาเล่นจนอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ แล้วก็ไปเจองูตัวหนึ่งแล้วก็ไปรุมตีงูนะครับบุรเจ้าก็ถามว่าทําะไรกันอยู่เด็กก็ว่าตีงูตีทําไมเพราะงูมันกัดบุรเจ้าก็เลยให้ธรรมะตรงนี้บอกว่าคนเราที่ทําร้ายคนอื่นเนี่ยนะทำร้ายคนอื่นเพื่อหวังความปลอดภัยแก่ตัวเองเนี่ยการทําร้ายนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ารักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองอย่างจริงจังเพราะว่าเราทําร้ายคนอื่นมันก็จะให้ผลเป็นความไม่เป็นความปลอดภัยกับเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่รู้เรียงษาในเรื่องการทําสิ่งที่ไม่ถูกบางอย่างอันนี้เราก็จึงต้องสอนเขาคือทำไมอำไมนึกถึงคุณธรรมที่เรว่วิมังษาทันทีเลยนั่นก็คือหมายถึงการพัฒนาปรับปรุงตัวเองนันแน่นอนละผิดถูกมันก็ก็มีเด็กมันก็ทําผิดพลาดก็ธรรมดาแต่ทีนี้พลาดแล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นแก้ไขแล้วก็เดินหน้าต่อไปนี่นคือวิมังสาที่เราต้องมีเอาไว้ค่ะวิมังสาท่านคะขออีกครั้งได้ไหมคะคนที่ทํำร้ายคนอื่นเพื่อ หวังความปลอดภัยให้ตนเองไม่ได้ผลเป็นการทําความปลอดภัยให้แก่ตนเองไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทําความปลอดภัยให้ตัวเองอ๋อค่ะเพราะว่าเวลาทําร้ายเขาเนี่ยจะได้ผลเป็นนรกกำเนิดโไรชาญประวิสัยแต่ซึ่งมันเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยแน่ค่ะทีนี้ก็มาถึงคําถามว่าเอางั้นจะรักษาตัวเองให้ปลอดภัยยังไงในปัจจุบันด้วยแล้วก็ในอนาคตด้วยคือถ้าเราไม่ตีงูเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่ปลอดภัยในปัจจุบัน แต่ถ้าตีงูเอาเราก็ไม่ปลอดภัยในอนาคตทีนี้เราจะทำยังไงในสถานการณ์นั้นใช่ไหมมันก็มีอยู่หลายทางเลือกเช่นบางทีก็เดินหนีไปหรือบางทีก็ใช้อุปกรณ์บางอย่างมาช่วยในการจัดการที่ไม่ให้มันมีการเบียดเบีย น, นกันแล้วก็อันนี้ก็มีหลายวิธีที่เราจะจัดการกับสัตว์ร้ายต่างๆในบ้านเราอย่างนี้เป็นต้นนะค่ะทีนี้ท่านได้กล่าวถึงเรื่องหัวข้อทำวิมังสาวิมังาใช่ เอ่อเด็กกำลังนึกอยู่นะคะว่าอยู่ในหมวดทําอะไรเออทธิบาทสี่ไงฉันทะฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาใช่ค่ะฉันทาความพอใจวิริยะคือความเพียรจิตตะคือการเอาใจจดเอาเอาใจใส่การเอาใจใส่ค่ะและวิมังสาถ้าเป็นคําจํากัดความสั้นๆเอก็คือการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอพัฒนาปรับปรุงตนเองอันนี้อันนี้มาแปลว่าอย่างงี้นะค่ะ ซึ่งเวลาที่เราเราจะเจริญวิมังษาได้อันนี้ก็คือเพิ่มเติมให้จบไปในเรื่องของวิมังษาไปเลยแต่<ช>ว่าคือการที่เราจะเจริญวิมังสาได้คือไม่ใช่เอาคุณธรรมนั้นมาตั้งไว้เฉยเไม่ใช่แต่เราต้องเจอปัญหาก่อ น, นต้องมีปัญหาต้องมีก็เรียกว่าสิ่งที่อาจจะเป็นเครื่องปรุงแต่งนะ่ะสิ่งที่เป็นเครื่องปรุงแต่งอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่เฉพาะหน้าอาจจะเป็นสิ่งที่เราทําไม่ถูกอาจจะเป็นเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์อะไรได้ทั้งนั้น นี่คือเรื่องปรุงแต่งที่ต้องมีการปรุงแต่งแต่พอมีอะไรที่ต้องมีการปรุงแต่งเป็นปัญหาอะไรต่างต่างเหล่า น, นี้แล้ว น, น, นี่คือองค์ประกอบที่หนึ่งเราต้องมีเรื่องของจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวด้วยนี่คือสมาธิอันที่สองแล้วเราถึงจะเจริญวิมังสาได้เราถึงจะเจริญวิมังสาได้คือถ้าจิตเราไม่เป็นอารมณ์อันเดียวเราจะไม่เห็นแง่มุมในการที่จะพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่เราเจออยู่เฉพาะหน้านั้นได้เลยค่ะนี้เธอจะว่าไป ในชีวิตธรรมดาที่จะต้องอยู่กับกิจการงานต่างๆก็มีโอกาสทั้งนั้นเลยนะคะที่เหมือนกับเราปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิมังสาอยู่แล้วต<ร>แต่ตรเราไม่ทราบเราคิดว่าปัญหามาต้องหาปัญญาให้มีมปัญญาจะเกิดต้องมีสมาธิใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องแต่ตรงตร ง, ตรงปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ย จากสมาธิถ้าเรามีเนี่ยบางทีมันก็มาในรูปแบบของการพัฒนาปรับปรุงนั่นก็คือเป็นรูปแบบของวิมังสาออกมาค่ะประเด็นมันคือตรงนี้ว่าเวลาเด็กทําผิดเนี่ยนะคุณโยมติวแล้วถ้าเราไปด่าไปตีเขาเนี่ยจิตเขาแตกใช่ไหมจิตเขาะตะเลิดออกจากสมาธิเนี่ยเขาก็จะพัฒนาปรับปรุงได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงมีวิธีการที่เราควรจะแทนที่จะด่าว่าเด็กพูดความจริงใช่ไหมลูปไปทําอะไรมาจุดไฟจุดไม่ขีดเล่นครับเอาจุดไม่ขีดเล่น ด่าลูกก่อนแล้วอ้าทำไมอย่างนี้เลี้ยวฟ้านไฟไหม้แล้วโอ้โหเอ้าเอ า, เอาไปเรื่องใหม่แล้วจิตเขาก็แตกกันทีนี้จิตแตกแล้วเขาก็จะไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองมันก็ได้ยากแทนที่เราจะด่าก่อนเราก็อย่าเพิ่งด่าแต่เราก็ทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นแต่วิธีการที่จุดที่ถูกท่านง่ายในวิธีการตรงไหนจุดได้ตรงไหนจุดไม่ได้ก็สอนเขาก็ไปลักษณะนั้นจะดีนี่นี่เป็นธรรมะที่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่เกิดประโยชน์กับลูก ถ้าจะว่าไปเนี่ยคือแนะนำให้สอนลูกเลี้ยงลูกอย่างไรถึงจะทำให้เขามีโอกาสในการที่จะปรับปรุงตนเองจะเจริญมิวังษาได้ใช่ค่ะก็เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตัดเอาไว้แล้วท่านเพรนพุลเอามาสรุปให้ทราบมีเรื่องอื่นที่ไหมคะเกี่ยวกับเด็กๆคิดว่าคือเอาราที่รับประเด็นเพราะว่าเพื่อให้เด็กเนี่ยเขาย่อยได้ค่ะไ ด, ไ, ดได้ทาความเข้าใจเอาปีนี้เอาเรื่องนี้ อ๋อค่ะและและถ้าสมมุติว่าอ่าจากคําขวัญนะคะความรู้คู่คุณธรรมน ำ, นำสุสนา <ำ S 2> <นำ S 1> คตอดคุณธรรมกับธรรมะของพระศ า, ศาสดาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันเลยคือถ้าเราจะอธิบายคําว่าคุณธรร ม, รรม ใ, ในในทางในทางไหนในทางคําสอนของบรอบพระเจ้าแล้วก็มีเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เป็นคุณธรรมที่เป็นผลที่ดีมากเลยค่ะอดังนั้นความรู้คู่คุณธรรมถ้าหาก จะให้พระสงค์ของพระพุทธเจ้าอย่างท่านพิบูรณ์ได้เมตตาให้รายละเอียดว่าควรจะเป็นคุณธรรมประมาณใดความจะมไปสู่อนาคตที่ดีได้อย่างความรู้ที่ที่เราเรียนมารู้มาในการประกอบอาชีพอันนี้คืออาตมาจะตติความว่าอย่างนี้ในเรื่องของชเช่นบางคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลอันนี้ก็เป็นความรู้ที่คุณจะใช้ดําเนินชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในทางคําสอนพพุทธเจ้าจะเรียกตรงนี้ว่าศิละปะอย่างใดอย่างหนึ่ง ศิละปะในการใช้สัญญาด้วยมือศิละปะในการทำนาศิละปะในการาคิดคำนวณพวกนี้จะเป็นความรู้ตรงนี้แล้วสองในในการดำเนินอาชีพของคุณคุณก็ต้องมีมรรคแมีศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่ออะไรเพื่อให้การดำเนินอาชีพนั้ น, น, นเป็นไปในนำสู่อนาคตที่ดีได้เพราะอนาคตที่ดีนี่คือถ้าเราพูดถึงในภพต่อต่อไปนั่นก็คือสวรรค์ในสุคติโลกสวรรค์เลนมรรคผลนิพพานถ้าเราพูดถึงในภพปัจจุบันนี้ ก, ก็คือความสุขที่จะเป็นมาในรูปแบบของการเจอภระสาที่น่าพอใจอันนี้เกิดขึ้นได้ดัง น, น, นั้นความรู้ในที่นี้นคือการดําเนินอาชีพหรือความรู้ในสาขาวิชาที่เรามีบวกกับคุณธรรมคือด้านศีลสมาธิปัญญาแล้วจะอยู่ในทางเป็นการเดินตามมรรคนั่นเองค่ะนะครัเพราะนั้นใครที่อาจจะมีความรู้สึกว่ากว้างเหลยเกินก็น่าจะแคบแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช<จ>่คู่กับศีลสมาธิปัญญา ใช่ yeah, ค่ะเด็กๆนี่จะเป็นวัยที่เด็กคิดว่าสำคัญมากน ะ, ะล่อแหลมแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นคนเลี้ยงลูกหลากหลายแบบบางคนที่ทุ่มเทมาก hmm. ถึงขนาดที่ว่าพอมีลูกปุ๊บลาออกจากงานเลย hmm. มาปลุกปล้าอยู่กับลูก <No. S 2> การมีใครขึ้นมาในครอบครัวสักคนสำหรับคนสมัยเนี้ยบางทีบางคนเขาคิดว่ามันเสี่ยงสูงเพราะว่าโลกมัน ถ่ายน่ากลัวก็เลยตัดสินใจไม่มีกันเลยก็มีนะคะใช่ใชบางศาสนานเขาบอกว่าการที่ควบคุมกำเนิดคุมกำ เ, เนิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำหรับศาสนาพุทธมีไหมคะที่ระ บ, บุไว้ในลักษณะเช่นนั้นค่ะไม่ได้มีอันนี้คือเปิดกว้างจะมีก็ไม่ว่าอะไรจะไม่มีก็ไม่มีปัญหาเรื่องของคนจะมีลูกไม่มีลูกจะแต่งงานไม่แต่งงานอันนี้พุทธเจ้าก็เปิดกว้างตรงนี้อยู่ แต่เรื่องการทำแท้งลหรอคะทา่านคะคือการฆ่าสัตว์มันไม่ดีอยู่แล้วน ะ, ะ, ะในการที่ยังเคยทราบว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องการเกิดของมนุษย์ได้ชัดเจนแม่นยำยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์อีกจริงหรือไม่อย่างไรคะท่านะคะเกี่ยวกัเรื่องของการเกิดขึ้นของชีวิตเนี่ยที่พระเจ้าอธิบายาไว้เราก็จะมีอยู่สามส่วน เอ า, เอาตั้งแต่เริ่มตอนปฏิสนธิก่อนนะ <Okay. S 1> อหนึ่งมารดานี่ต้องอยู่ร่วมกับบิดาเด่ต้องมีพ่อมีแม่ใครบอกว่าจะเกิดจากปล้องไม้ไายนี้ไม่ใช่ละันะ <Okay. S 1> หนึ่งคุณต้องมารดาต้องอยู่ร่วมกับบิดาสองมารดาต้องมีประจำเดือนนั่นะคือมีฤดูแล้ว <Okay. S 1> สามน่นะก็ต้องมีคันดับพร ะ, นะคันดับพระนี่ก็คือสัตว์ที่จะมาเกิดในคันนะนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปตามกรรม <Okay. S 1> คือสัตว์ที่จะมาเกิดในคันได้ก็ต้องมีไออุ่นคือกรรมนํามาอยู่ตรงนี้แ <Okay. S 1> นะพอสามอย่างนี้รวมกัน ใ น, ในกระบวนการทางวิชีวริยา ก, ก็คือว่าเอ็มเบรียลเป็นไข่ใช่ไหมจากมารดานี่คือตอนที่ตกไข่ก็คือมีมีฤดูมีประจาเดือนมนารดาก็คือมีเชื้อที่มาผสมบิดาก็คือมีเชื้อที่มาผสมเข้าไปแต่ตอนที่ผสมเข้าไปแล้วเนี่ยจะแบ่งตัวในทางวิทยาศาสตร์นะเขาจะแบ่งตัวเนี่ยคือการที่การที่จะเป็นลูกเป็นเด็กทารกเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการแบ่งตัวซึ่งไอ้เซลล์ตรงที่แบ่งตัวตรงนี้แหละ นี่คือจุดที่เรียกว่ามีคันธปะเข้าไปแต่มีคันธปะมาร่วมอยู่ตรงนั้นเพราะว่าไข่ที่ออกมาจากมารดานะกับเชื้อยที่ผสมจากของบิดาเนี่ยบางทีก็ไม่เกิดการแบ่งตัวซึ่งซึ่งส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำนะแล้วก็จะมีบางส่วนที่มีการแบ่งตัวนะอะไรที่ทําให้มันเป็นเหตุเป็นปนัจจัยในการแบ่งตัวซึ่งนักวิชาต ร, ตรงนี้ก็ยังไม่ทราบแต่บุรุษเาได้พูดถึงองค์ประกอบที่สามคือคันธปะตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าสําคัญมากคือเท่ากับว่า อการที่เขาเรียกอะไรของคุณพ่อคุณแม่มาผสมกันที่ท่านว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเท่ากับว่าจะเกิดการเป็นชีวิตขึ้นมาถูกต้องตรงนั้นทีมีคันทัพทะถูกไหมคะสามอย่างนี้มารวมกันพ่วกรก็คือจะเริ่มเป็นก็คือเป็นเป็นก้อนเนื้อก่อนเป็นก้อนเลือดก่อนคเป็นก้อนเลือดแล้วก็จะเริ่มเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้าปุ่มขึ้นมาปัญจาสาขา ดังนั้นก็เท่ากับว่าชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วจะพยายามจะให้เชื่อมต่อกับเรื่องที่กราบเรียนถามเท่านว่าแล้วตอนไหนที่ถ้าหากว่าไปสู่กระบวนการที่สมมติคนเริ่มจะมีคันแล้วไม่เอาไว้ที่เขาเรียกว่าทําแท้งเนี่ยแล้วเท่ากับฆ่าสาัตว์นะคะก็คือตรงนี้นั่นเองคือตรงนี้นั่นเองคือตรงที่<ม>ชื้อของปิดากับไข่ของมารดาผสมกันแล้วมีการแบ่งตัวกนะารแบ่งตัวตรงนั้นแสดงว่ามีคันตะปาะมาลงแล้วนะํามาเข้าสู่แล้วถ้าตรงนี้ นะคุณทำให้ตายไปด้วยเจตนาที่ว่ามีการฆ่าสัตว์ละค่นะ ซ, ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นี่ก็คือว่าพอเริ่มมีการแบ่งเซลล์ปุ๊บเนี่ยไข่ที่มีการแบ่งตัวแล้วเนี่ยเป็นไซโกดเนี่ยก็จะมาฝังตัวอยู่ที่มดลูกของมารดานะการเคลื่อนตัวมาตรงนี้มาฝังตัวอยู่ที่มดลูกของมารดาเนี่ยบางทีเด็กอาจจะยังไม่ได้ไมายถึงตัวตัวไซโกดเนี่ยนะยังไม่ได้ฝังตัวเข้าไปแน่นที่ ที่มดลูกของมันดบาบังทีหลุดออกมาก่อ น, นแต่ไม่ได้เจตนานี่คือมีการแทการแทงเกิดขึ้นคะ่ะก็เท่ากับว่าในทางพระพุทธศาสนาเองก็มีการพูดเรื่องพวกนี้เอาไว้เหมือนกันแล้วก็พูดไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลที่เราคิดต่อไปแล้วใช่เลยก็เท่ากับว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ค่ะแล้วพอมาเป็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยการที่จะเลี้ยงดูเขาต่อไป เพราะวันนี้เป็นวันสําคัญของเด็กใช่ไหมคะมยิ่งยากขึ้นไปอีกอในทางพุทธศาสนาอย่างเงี้ยเราควรที่จ ะ, ะให้ความสําคัญกับเด็กอย่างไรคะ่ะก า, การให้ความสําคัญกับกับลูกหลานเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยต้องให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอ่ะอที่ธรรมข้อหนึ่งที่เราพูดตั้งแต่ตอนแรกเกิดเรื่องมีมงังสาโดยรวมก็คือเป็นธรรมะ ท, ทั้งหมดล ะ, ะเร่องศีลสมาธิปัญญาให้เขาต้องอยู่ในธรรมให้ได้คืออันนี้ต้องอเห็นใจมารดาบิดาเพราะว่า ปุถุชอธิบายไว้นะว่าพอกระบวนการ3อย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมมีคันทัพะมีมารดาบิดาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยเป็นลูกออกมาเนี่ยมารดาเนี่ยก็ประกอบประคองด้วยความเอ็นดูอย่างยิ่งอันนี้เป็นปุถุพจนะตลอด9 <Yeah. S 1> เดือนบ้าง10เดือนบ้างนะี่ประกอบประคองด้วยความเอ็นดูอย่างยิ่งตลอดเวลา9เดือน10เดือนนะ่ะคลอดออกมาเราก็ด้วยความลําบากอย่างยิ่งเนะการบริหารคันเราก็ด้วยความลําบากแพ้ท้องแพ้อะไรนะคำว่าการบริหารคันเนี่ย ก็คือว่าแพ้ท้องเราก็ต้องจัดการไปใช่ไหมหาอะไรดีๆทุกอย่างหาให้ลูกกินนั่ก็คือตัวแม่เนี่ยละกินเพื่อที่จะไปถึงกับลูกเสร็จแล้วผ่านการคลอดออกมาเราก็ใช้เลือดในอกตัวเองให้ลูกกินนั่นก็คือน้ํำนม ใ, ในอริยวินัยเนี้ยเรียกน้ํำนมก็คือเลือดเลือดก็คือน้ํำนมใ น, ใ, ในอกของมารดาแล้วก็บํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายด้วยความประคบประงมอย่างยิ่ง โนะตขึ้นมาแล้วก็นะ อ, อันนี้พรุชาอธิบายนะถึงว่ากรณีที่ว่าคนเราเกิดมามีความยึดถือได้อย่างไรนะ <Okay. S 1> ก็มีความยึดถือในของเล่นบ้างในของกินบ้างในสิ่งที่ตัวเองเห็นพบเจอแลนะก็จึงเกิดเป็นเป็นการามขึ้นมานะเป็นการยึดถือขึ้นมาเราก็ต้องสอนให้เขาทราบเรื่องพวกนี้ <Okay. S 1> คือมีมีคนเขาบอกว่าการที่ไม่คิดนั่นะคิดในทางไม่ดีการที่รักษาศีลได้นะี่นี้จะเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ ซึ่งบุรุชาบอกว่ายังไม่ใช่ทั้งนั้นเด็กน้อยที่เขานอนบวแบแบวแบคิดอะไรก็ยังคิดไม่ได้ทําผิดอะไรก็ยังทําไม่ได้เนี่ยก็เป็นพาาาระอรหันต์บริสุทธิ์แล้วสิแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยแล้วควรจะเข้าใจต่อไปอย่างไรคะควรจะทําอย่างไรดีคะก็คือว่าในเรื่องของจิตใจมันมีที่ลึกไปกว่านั้นนะคือเรื่องของอภิชาเรื่องของตัณหาที่มันฝังอยู่ในในจิตนะคันธภะที่มาเกิดนะมีการแบ่งเซลล์ตรงเนี้ยเป็นกันธภะเนี่ยนะ คณะพระเนี่ยก็คือมีเป็นจิตที่เป็นไปตามกรรมซึ่งกรรมนี้ก็หมายความว่าคุณยังมี อ, อวิชายังมีตัณหาอยู่แน่นอนถ้าถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเด็กนั้นก็ยังมีอวิชาังมีตัณหาก็โตขึ้นมาแล้วแล้วก็ทําความบริสุทธิ์ในจิตของตัวเองให้เกิดขึ้นได้ค่ะฟังดูเป็นเรื่องยากจังเลยนะคะคือคิดไปไม่ถึงอะ่ะแค่อถ้าเป็นพุทธพจน์ที่ตรัสมายัางเป็นเรื่องเข้าใจง่ายนะคะอธิบายชัดเจนเธอเห็นภาพเลยแล้วก็ดูเหมือนกับว่า เป็นภาพที่คิดตามแลวสะเทือนใจนะคะความรักของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่พ่อแม่ก็เลยอยากสอนลูกถ้าจะให้เป็นรูปธรรมสอนเด็กตามแนวทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะจะสอนอย่างไรดีเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการจะให้เขาเจริญในธรรมจนกระทั่งพ้นจากกรรมทั้งหลายซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ เป็นภาระหนักของมนุษย์ที่ฉันว่าอย่างนั้นจะถูกไหมคะคนคนที่เป็นแม่เนี่ยนะคุณหยมเตีวยเขาจะมีความ<ช>สามารถตรงนี้เนีย่ยสมมุติว่าเขาจะเอาอะไรให้ลูกกินเนี่ยจะให้อาหารลูกนะคือเวลาให้อาหารลูกเนี่ยบางอย่างลูกก็ไม่กินบางอย่างลูกก็กินนะอะไรที่ลูกไม่กินอ่ะก็ไม่ให้อะไรที่ลูกกินก็เอาให้อันนั้นแนะธรรมะนี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะบางทีเด็กบางคนมีความสามารถในการที่จะเข้าใจได้ในสมัยพุทธกาลก็มีหลายหลายคนนะ อายุเขวบเห็นกางหันน้ำเห็นช่างเขาดัดลูกศรอันนี้เห็นเป็นธรรมะหมดเลยเห็นทะเลก็เห็นเป็นธรรมะเจ็ดขวบก็บวชเนนแล้วก็เห็นทำขั้นสูงได้แต่บางคนก็ต้องรอตอนแก่ตอนที่ตัวเองใกล้จะเจ็บไข้ถึงจะได้เห็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นคือถ้าเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับเด็กมันไม่แน่แต่ว่าเขาอาจจะเข้าใจในคอนเซปต์หรือเรื่องต่างๆแบบนี้บางทีก็ได้เหมือนกันแจะว่ายากมันก็ไม่ยากหรอก เพียงแต่ว่าเขาจะเราจะสอนเขาอย่างไรตรงไหนเขายังไม่เข้าใจเราก็เอาไว้ก่อนตรงไหนเขาเข้าใจเราก็อยให้เขากินเหมือนอย่างกับอาหารที่แม่ให้ลูกกินอย่างนี้แหล ะ, ค, ะค่อยเป็นค่อยไปกับเรื่องอคำสอนในการที่จะทำให้ตัวเราเองได้ไปถึงธรรมขั้นสูงหรือว่าบรรลุธรรมก็ต้องเดินตามอริยมรรคมีองค์8ปดหรือทานศีลภาวนาเนี่ยนะคะใช่ ยังคิดว่าอย่างเรื่องสีเนี่ยฟังดูก็น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่บางค น, นี่จะสอนลูกเลยห้ามจะโกหกเด็ดขาด <c oughs> ลูกบ้านนี้ก็จะไม่โกหกอืม <c oughs> หรือบางคนบอกว่าห้ามหยิบของไปโดยไม่ได้อนุญาตนะอืม <c oughs> อันนี้ก็มี <c oughs> เคยเห็นนะคะอ่าอีกบ้านหนึ่งค่ะท่านคะเจ้าบานเขาเป็นนักเขียนหนังสือพิมพ์เนี่ยยังเคยไปต่างประเทศไปอินเดียเขาเขาลูกเล็กไปด้วยก็เด็กอายุยังไม่ถึงสิบขวบ เขาจะซื้อของเล็กๆน้อยๆเลยนะคะแล้วก็บอกให้ลูกเป็นคนแจกอืมลูกเนี่ยจะต้องแจกแจกแจกแล้วที่นั่นจะมีคนที่เป็นขอทานเยอะใช่ไหมคะอดิฉันก็มองดูว่าเขาเข้าใจฝึกลูกนะอืมสอนให้รู้จักกันให้นะค่ะเพราะดิฉันเนี่ยมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่ว่าเรื่องของการสละออกเนี่ยยากจริงๆยากกว่าการยึดถือเข้ามาอื ม, อ, มอันนี้ก็คือสอนให้โดยการกระทําให้ดิ ให้ให้ดูด้วยอนี้การหนึ่งแล้วก็นี่ให้เขาทําเองนี่ก็ยิ่งดีนี่เท่ากับว่าเป็นการปูพื้นไปสู่การดําเนินชีวิตตามธรรมเป็นง่นถูกต้องเรื่ออการให้ทานนี่แน่นอนเป็นการสละความตระนีนนะคะท่านฟังก็ฟังดูแล้วก็อาจจะความจริงถ้าอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละแต่บางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นเพราะเชื่อว่าเป็นการคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยอยู่ในหนทาง ที่พระศาสดาสอนแล้วใช่แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่มเติมตรงนี้ได้ก็คือว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยสอนท่านพระราหุลเราใช้ตีหนึ่ตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ก็คือใช้เรื่องของอุปมาอุปไมให้มากแต่ตอนนั้นพระราหุลก็เพิ่งบวชอายุเจ็ดขวบแ8ดขวบนี่แหละแล้วก็ใช้กลามะอพ้าวที่ตักน้ําเนี่ยจะทําให้ดูเป็นอุปมาปรปไมเปรียบเทียบถึงความเป็นคนดีนะว่าถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติดีแล้วความเป็น ความเป็นคนดีเนี่ยก็เหลืออยู่ในเท่ากับน้ำที่เหลือน้อย ๆ, ๆอยในกะลามะพร้าวประมาณนี้มันเป็นลักษณะว่าอุปมาอุปไมให้ให้เด็กเขาได้เห็นภาพอันนี้จะช่วยได้มากทีเดียวนะคะดังนั้นในโอกาสที่พรุ่งนี้จะเป็นวันเด็กแห่งชาติเด็กที่ไม่ว่าจะเป็นลูกเราหรือไม่เราก็ต้องให้ความสําคัญกับเขาก็ขอให้ได้เลือก เอาในสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีตามคําสอนของพระศาสดานะคะไปปูพื้นไว้ให้เขาเวลาที่ถึงเวลาจ ะ, าจะเจริญก้าวหน้าต่อไปจะได้ขึ้นชั้นได้เร็วใช่ต้องบ อ, อย่างนี้นะคะก็กราบน้อมสักการขอบรพระคุณพระอาจารย์เพบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะเจริญน้อมสักการค์ค่ะท่านฝั่งที่เคารพคะ่ะวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆของเราจะเป็นวันที่เขามีความสุขที่สุด และท่านพิบูลได้ยกตัวอย่างว่าในสมัยพระพุทธองค์ได้แสดงเอาไว้ดิฉันว่น่าสนใจที่สุดเลยคื อ, อที่เด็กไปดุมตี ง, งูที่มากัดแล้วพุทธองค์ตรัสบอกว่าคนที่ทำร้ายคนอื่นเพื่อหวังความปลอดภัยให้กับตัวเองเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างความปลอดภัยให้แก่ตนเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะยังมีความเชื่ออย่างที่ท่านพบู์ได้กล่าวไว้ด้วยเหมือนกันว่า เด็กๆเนี่ยถ้าเราไปทำให้เขาจิตแตกโดยการที่ไปไปว่าเขาจนเขาตกอกตกใจกลัวหมดนะคะก็ไมไ่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรแต่ควรจะมีวิธีที่จะทำอย่างไรให้เด็กก็ตั้งสติเพื่อได้นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตัวเองที่เรียกว่าวิมังสาในที่สุดนั้นนะคะวันนี้เราก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะพุธและพฤหัส รายการชื่อสันนีสนทนาดำเนินรายการโดยสันนีหนนาภงทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 วันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ